ผลสูงสุดของสมาธิและสู่ความสมบูรณ์เหนือสมาธิขอ้อขอองค์ประกอบต่างๆ ท, ที่ค้ำจุนเกื้อหนุนและเสริมประโยชน์ของสมาธิมีทําหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเจริญสมาธิบางอย่างช่วยเป็นฐานค้ำและหนุนให้เกิดสมาธิบางอย่างทั้งช่วยเกื้อหนุนให้เกิดสมาธิและช่วยในการใช้สมาธิให้สำเร็จประโยชน์เพื่อจุดหมายที่สูงขึ้นไป เช่นในการบำเพ็ญวิปัสนาเป็นต้นองค์ธรรมบางข้อพบบ่อยในฐานะต่างๆกันเช่นวิริยะเป็นอิทิบาทก็มีเป็นพระและอินทร์ก็มีเป็นพ่ชงก็มีทำให้ดูเหมือนซ้ำซากพึงทราบว่าเป็นการจัดตามคุณสมบัติและหน้าที่เช่นวิริยะเป็นอิทิบาทในกรณีที่เป็นหัวแรงใหญ่ ซึ่งให้บรรลุผลสำเร็จนั้ น, น, นเป็นพละในกรณีที่เป็นพลังคุ้มกันตัวทำให้ทาฝ่ายตรงข้ามเข้าครอบงำทำอันตรายไม่ได้เป็นอินรีในกรณีที่เป็นเจ้าการซึ่งจะออกโรงทำหน้าที่กำจัดกวาดล้างอากุศลธรรมฝ่ายตรงข้ามคือความเกียดคร้านความหดหู่ท้อถอยหงอยซึมเป็นต้นและสร้างความพร้อมในการที่จะทางานเป็นพ่อชง ในกรณีที่เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งซึ่งเข้าร่วมงานกับองค์ทมอื่นๆทำหน้าที่สัมพันธ์สืบทอดกันเพื่อนำไปสู่จุดหมายคือความรู้แจ้งสัจธรรมองค์ประกอบต่างๆที่คำจุนเกื้อหนุนและเสริมประโยชน์ของสมาธิข้อหนึ่งฐานประทัดฐานและที่หมายของสมาธิกล่าวได้ว่า ศีลเป็นฐานของสมาธิคือเป็นพื้นฐานรองรับให้การปฏิบัติต่างๆเพื่อให้เกิดสมาธิเป็นไปได้เช่นเดียวกับที่เป็นพื้นฐานรองรับการปฏิบัติธรรมทั้งหลายโดยทั่วไปในฐานะเป็นลำดับต้นแห่งไตรสิกขาดั่งพุทธพจน์ที่พระพุทธโขศาจารย์นำมาตั้งเป็นกระทู้สำหรับเขียนเรียบเรียงเนื้อหาของคำพีวิสุทธิมักทั้งหมดว่าภิกษุ เป็นคนมีปรีชาตั้งอยู่ในศีลแล้วอบรมจิตและปัญญาเธอมีความเพียรมีปัญญาครองตนพึงสางรกชัตนี้ไดุ้พธพุทธที่อื่นๆตรัสแสดงว่าทาต่างๆไม่ว่าจะเรียกเป็นมรรคเป็นโพชทชงเป็นสติปัฏฐานเป็นสำ ม, มระฐานก็ตามคนตั้งอยู่ในศีลแล้วจึงจะปฏิบัติได้ผล เปรียบเหมือนคนจะทำงานที่ใช้กําลังก็ต้องอาศัยพื้นแผ่นดินเป็นฐานหรือศัพท์ทั้งหลายทั่วไปจะยืนเดินนั่งนอนก็ล้วนต้องอาศัยพื้นแผ่นดินรองรับดังได้กล่าวแล้ ว, ว่าศีลกลางๆสำหรับคนทั่วไปหมายถึงความประพฤติสุจริตและการที่ไม่ได้เบียดเบียนก่อความเสียหายเดือดร้อนแก่ใครใครซึ่งจะทาให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายใจ และเสียความมั่นใจในตนเองเป็นเสี้ยนหนามคอยทิ่มแทงระคายหรือสะดุดสะกิดสกัดขัดขวางรบกวนไว้ไม่ให้ใจเข้าสู่ความสงบเรียบสนิทได้ส่วนศีล น, นอกเหนือจากนั้นไปก็สุดแต่วินัยที่กำกับการดำเนินชีวิตแบบที่ตนเข้าสวมรับเอาไว้เช่นพระภิกษุต้องปฏิบัติตามหลักศีลสังวรตามวินัยของสงฆ์เป็นตน้นพ้นจากศีลขึ้นไป แรงหนุนสำคัญในการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นตัวเด่นที่พระพุทธเจ้าส่งย้ำบ่อยมากก็คือความไม่ประมาทความมีกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการศีลเป็นฐานรองรับการปฏิบัติเพื่อสมาธิโดยทาหน้าที่เป็นพื้นให้เหมือนกับช่วยส่งผลอยู่ไกลๆดังเช่นกระบวนธรรมที่มาในกิมัติยสูตรอังกุต ร, รนิกายทศกนิบาศ แสดงข้อธรรมมาตาลลำดับดังนี้ศีลอวิปปิสารปราโมทปีติปสัสสิสุขสมาธิตามกระบวนธารนี้ศีลจึงเป็นฐานรองรับการปฏิบัติเพื่อสมาธิโดยทาหน้าที่เป็นพื้นให้เหมือนกับช่วยส่งผลอยู่ไกลๆแต่ปัจจัยใกล้ชิดแท้ๆ ท, ที่จะให้เกิดสมาธิได้แก่ความสุขจึงวางเป็นหลักไว้ว่า ความสุขเป็นปัจจัยฐานของสมาธิพึงกําหนดไว้เป็นข้อสังเกตสําคัญเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดว่าสิ่งที่จะเรียกได้ว่าเป็นสมาธินั้นอย่างน้อยในขั้นต้นจะต้องมากับความสุขความมุ่งหมายของสมาธิได้เคยกล่าวไว้มากแล้วเพียงอ้างเป็นการทบทวนรวมไปด้วยที่นี้ว่าได้แก่การรู้เห็นตามเป็นจริงหรือ ยะถาภูตะยาณทัศนะหรืออาจอ้างพุทธพจน์อีกแห่งหนึ่งว่าสมาหิโตยะถาภูตังปชานาติแปลว่าผู้มีใจตั้งมั่นย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงพูดไขความว่าเพื่อเป็นสนามปฏิบัติการของปัญญาให้ปัญญาจเจริญจนบรรลุจุดหมายของมันอย่างไรก็ตามจะต้องไม่ลืมว่า ตามหลักความสัมพันธ์ระหว่างองค์มัตปัญญาคือสัมมาทิฏฐิเป็นเข็มชี้ทิศหรือเป็นไฟสองทางอำนวยแสงสว่างช่วยองค์ธรรมทุกอย่างเดินหน้าได้และแ่นไปถูกทางความเจริญของปัญญาจึงสนับสนุนความเจริญของสมาธิด้วยเช่นยิ่งรู้ชัดเห็นชัดก็แน่วแน่มั่นใจยิ่งมีสมาธิกล้าแข็งความเป็นไปขององค์ธรรมใหญ่สองอย่างคือสมาธิ และปัญญาจึงมีลักษณะของการอาศัยและส่งเสริมกันดังที่มักอ้างพุทธภาษิตว่านัตติชานังอปัญยสสะชาญย่อมไม่มีแก่ผู้ไร้ปัญญาและนัตติปัญญาอาชายิโนปัญญาก็ไม่มีแก่ผู้ไร้ชาญพร้อมทั้งสรุปว่ายมหิชานันจะปัญญัจะเสเวนิพพานสันติเก ผู้ใดมีทั้งฌานและปัญญาผู้นั้นแลอยู่ใกล้นิพพานฌานในที่นี้หมายถึงอารัมมณูปนิชฌานคือเพ่งอารมณ์หรือลัคนูปนิชฌานคือเพ่งไตรลักษณ์ก็ได้อัธกถาทั้งหลายเมื่อกล่าวถึงข้อธรรมต่างๆมักให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมข้อนั้นๆในแง่ต่างๆคือลักษณะรสปัจจุปทานและปัจจัตฐานรสหมายถึงกิจ หรือหน้าที่ปัจจุปัฐานหมายถึงเครื่องปรากฏหรือผลที่ปรากฏและปัจัตฐานหมายถึงเหตุใกล้ในที่นี้เมื่อกล่าวถึงปัจจัตฐานหรือเหตุใกล้ของสมาธิแล้วจึงเห็นควรกล่าวถึงข้อควรทราบเกี่ยวกับสมาธิตามแนวอัตตกระฐานนั้นให้ครบชุดกล่าวคือท่านว่าลักษณะของสมาธิได้แก่ ความไม่ซ่านสายรถหรือหน้าที่ของสมาธิได้แก่การกําจัดความซ่านสายหรือประมวลสหาชาตธรรมเข้าด้วยกันปัจจุปัฐานหรือผลที่ปรากฏของสมาธิได้แก่ความไม่หวั่นไหวความสงบหรือญาณคือความรู้ตามเป็นจริงปัจจุบันหรือเหตุใกล้ของสมาธิได้แก่ความสุข